นนะมันไม่มีใครไปทุกข์รอกแต่ความทุกข์มีอยู่จริงแต่คนที่ทุกข์อ่ะไม่มีอยู่จริงอ้าวก็เราเป็นคนรับรู้อแล้วเราคืออะไรเราอะไรคือเราจิตใช่ไหมเป็นเร า, เาแล้วความคิดมันเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วความคิดตัวไหนเป็นเราละครนี้ผลรรรึงไม่มีเจ้าของแห่งทุกข์อยู่จริงทุกข์มีอยู่จริงแต่ผู้ที่เป็นทุกข์ไม่มีอยู่จริงอ น, นะความเจ็บปวดมีอยู่จริงแล้วถามว่ามีใครอยู่ในความเจ็บปวดนั้นไหม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 นั่นก็คือตันหาที่ยินดีในขันหาตันหาที่ยินดีในทวารต่างๆนั่นแหละคือเหตุให้เกิดชาติชราและมรณะทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระพุทธเจ้าตรัสถึงความดับเหตุแห่งคำเหล่านั้นถ้าดับเหตุได้ก็ดับทุกข์ได้ถ้าดับเหตุให้เกิดขันได้ขันก็ดับได้ทุกข์คือขันก็ดับได้ถ้าดับเหตุให้เกิดอายตนะได้ทุกข์คืออายตนะก็ดับได้